นี่มาดูคำอธิบายที่ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไปกล่าวถึงอินซีใช่ั้มนี่มาดูภพธาตุาสามภพสามโวการะสามอย่างวิสัชนาสิบสองเนี่ยในหน้าสองร้อยสี่สิบเ็ดอธิบายในข้อแปดว่าวิสัชนาสิบสองในการมาธาตุเป็นต้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงแล้วโดยประเภทแห่งภพนะ เธอภพเนี่ยแบ่งออกเป็นสีช่ชุดใช่ไหมชุดละสามสี่ชุดชุดละสามก็เป็นสิบสองชุดแรกคืออะไรการมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุชุดที่สองกามาภบรูปภบรูปภบรูชุดที่สามเอกโวการภเจตวการภปัญจโวการภชุดที่สาชุดที่สี่สัญญาภบอสัญญาภเนวสัญญานาสัญญาภมาดูโดยธาตุก่อนว่า ธาตุอันประกอบด้วยกามกล่าวคือกามมราคะชื่อว่ากามมาธาตุหรือธาตุกล่าวคือตามชื่อว่ากามมาธาตุก็หมายถึงกามมาภพสิบเอ็ะนะส่วนธาตุอันประกอบแล้วด้วยรูปฌานชื่อว่ารูปประธาต์เพราะละกามเสียได้หรือธาตุกล่าวคือรูปฌานชื่อว่ารูปประธาต์อันนี้ก็หมายถึงระดับรูปประพรมนนส่วนธาตุอันประกอบแล้วด้วยอรูปฌานชื่อว่าอรูปประธาต เพราะละกามและรูปฌานเสียได้หรือถ้ากล่าวคืออรูปฌานเชื่อว่าอรูปธาตุอันนี้หมายถึงในอรูปภพะนะท่าก็คือภพนั่นแหละกามท่ารูปธาตุและอรูปธาตุก็คือพูดภพสามภพสามอย่างนี้เนี่ยถ้ากล่าวตามมูลปริยาัาสูตรก็จบเลยน้สังกัดปฐวีไล่ไปเรื่อ ย, อยะนะท่าเหล่านั้นนั่นแหละท่านกล่าวไว้โดยปริยาจแห่งภพอีกจริงอยู่ ท่านเรียกว่าพบเพราะย่อมเกิดเนี่ยนะที่เกิดมันก็มีสามอย่างนะเกิดในไหนเกิดในการมมาพบรูปประพบแล้วรูปประพบนั่นแหละพบอันประกอบด้วยสัญญาถ้าเกิดแล้วมีสัญญาอยู่ด้วยในขณะเกิดเรียกว่าสัญญาพบหรือพบอันสหรคตด้วยสัญญาชื่อว่าสัญญาพบหรือสัญญามีอยู่ในพบนี้ฉะนั้นพบนี้จึงชื่อว่า สัญญาภพพวกนี้ถ้าเป็นพวกไวยากรณ์นี่เขาดีเขาเขามีหลักในการวิเคราะห์ศัพท์นะทำให้มองเห็นโดยเหลี่ยมต่างๆคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเขาจะอย่างนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ได้มองตรงๆอย่างเดียวหรอกเขาจะมองแบบมองจากข้างบนมองซ้ายมองขวาพลิกแล้วพลิกอีกนะพวกหลักไวยากรณ์นี่เขาจะทําให้มองหลายๆเรื่องโดยแง่มุมต่างๆส่วนการมาพบหนึ่งรูปประพบที่ผล จากอาสัญญาภพหนึ่งอรูปภพที่พ้นจากเนวสัญญาณาสัญญาภพหนึ่งมิใช่สัญญาภพนั้นชื่อว่าอาสัญญาภพอาสัญญาพญญาพนั้นเป็นเอกเทศแห่งรูปภปพก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งของพรหมเหมนนะมันพิเศษในพรหมโลกนี่มันมีอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งคืออาสัญญาพเนียนะอาสัญญาพกับเวหัผลาพรหมเนี่ยกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเวห์ผลาพรหมนี่ มีห้าขันเอกวกรพบมีขันเดียวส่วนเนวสัญญาคือไม่มีสัญญาหยาบเลยเรียกว่าเนวสัญญาเนี่ยนะมีแต่สัญญาละเอียดเลยเรียกว่านาสัญญาจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่ามีก็เพราะไม่มีหยาบเอ่อที่เรียกว่าไม่มีเพราะไม่มีหยาบจะว่าไม่มีไปเลยก็ไม่ใช่เพราะมันมีแบบละเอียดนนะ ก็แทบไม่มีจิตเจตสิกอ่ะแต่มีอยู่อะไรนะเขามีคาพูดที่เขาเรียกว่าสัมมนเ น, นเอไปเอาบาตรมาบอกอาจารย์ครับบาตรมีน้ำมันเนนเอามาจะได้ดื่มเลยบอกไม่มีครับคือในบาตรเนี่ยมันมีน้ำมันที่เข า, เาไปลูบไปเช็ดไว้ใช่ไหมเนนไปเอาบาตรมาตักน้ำดื่มสิ่าจารย์ครับบาตรมีน้ำมั น, นนะก็คือบาตรเขาเอาน้ำมันมาทาไวนะ้น้ามันทาบาตรกันสนิม ประโยชน์ของเขาเนี่ยบาดโบราณบาทเหล็กเขาจะใช้น้ำมันเนี่ยทาเพื่อกันสนิมสมเณร จ, จะเอาบาทมาตักน้ำฉันสิฉันครับบาทมีน้ํามันเออดื่มน้ํามันแทนก็ได้เอาน้ำมันมาไม่มีครับสมเณรมุสาหรือเปล่ามุสาไม่มุสาใช่น้ํามันเนี่ยที่เรียกว่ามีก็เพราะแต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันมีอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีหยาบพอจะเอามาดื่มอะไรได้นะมันมีอยู่หน่อยเดียวพอเคลือบบาทไม่สนิมจับเท่านั้นเอง ลักษณะในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เหมือนกันจะว่าไม่มีสัญญาเลยก็ไม่ใช่ น, นะเพราะมีอยู่จะว่ามีอีกก็ไม่ใช่เพราะว่ามันละเอียดเกินไปที่จะกล่าวว่ามีตรงนี้ยกตัวอย่างว่าด้วยสัญญานะจะโดยจิตก็ได้นะเช่นเนวจิตตะนาจิตตะอย่างนี้ก็ได้เนวภาษะนาภาษาอย่างนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ยกสัญญาเป็นประธาน มังแห่งก็บอกเลยว่าจะว่าเนวะจิตตะนาจิตตะก็ได้เนวสสะภาษานาภาษะก็ได้เนวะเวทนานาเวทนาก็ได้คือนามมาทำทั้งหลายสัมปยุตตรทำทั้งหมดจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีเออจะว่ามีมันก็ละเอียดเกินไปที่จะบอกว่ามีจะว่าไม่มีมันก็พอมีอยู่เนี่ยนะพบที่ละคนด้วยนา ม, มาขันศี คือล so ้วนไปด้วยนามขันศีแห่งภพนั้นมีอยู่ฉะนั้นภพนั้นจึงชื so ่อว่าจตัวโกราภพจตัวโกราภพก็ค yeah. so exactly. so so ือรูปภพนั่นเนี่มีแต่รูปอย่างเดียวภพที่ละคนด้วยขันห้าคือล้วนไปด้วยขันห้าแห่งภพนั้นมีอยู่ฉะนั้นภพนั้นชื่อว่าปัญจโวการาภพก็มีทั้งรูปมีทั้งนามปัญจโวการาภพนั้นเป็นการมาภพด้วยเป็นเอกเทศแห่งรูปภพด้วยเพราะรูปภพนี้มีทั้งเอกโวกับ ปัญจโวเนี่ยนะมีทั้งเองกวโวการภพและปัญจโวการภพมาดูฌานต่อไปเลยดีกว่านะว่าในข้อ9ก้าวิสัชนาสิบสองมีปฐมฌานเป็นต้นนี่แสดงด้วยอำนาจสมาบัติคำว่าสมาบัตินี่ก็คือหมายถึงเข้าถึงหรือเข้าบ่อยๆซ่องเสพเนี่ยนะฌนะานในที่นี้ประสงค์เอาเพียงแต่พรมมิหารหมายเอาฌานที่เป็นไปกับพรห ม, มิหาร ทำไมจึงเอาอย่างนั้นเพราะว่าฌานมีกสินเป็นต้นก็อยู่ในกสินสิทธิ์อยู่แล้วอยู่ในกสินอยู่แล้ว อ, นนอวนันตรงนี้ก็พูดเฉพาะฌานที่มาจากพรหมิหารปฐมฌานมีกี่องค์ห้าองค์นะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌานมีกี่องค์สามองค์ปีติสุขเอกคตาอันนี้จะตกกันในนะถ้าพูดแบบพระสูรนี่จะตกกันในอย่างเดียว ตัศย์ยถานมีกี่องค์มีสองสุกกะเอกคตาจะตัวชานก็มีองสองคือค อ, อุเบกขาและเอกคตาก็เป็นชานที่มาจากการเจริญพรหมิหารส่วนข้อสิทธ์บอกว่าธรรมชาติได้ย่อมสนิทสนมรักใครฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมตตาเมตตานีแ้แปลว่าย่อมเสนหาแต่ว่าเสนหาเป็นหมดเลยนะไม่ใช่เป็นบางคน อีกอย่างหนึ่งความเจริญในมิตรหรือความเป็นไปอันนั้นแห่งมิตรมีอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าเมตตาเมตาก็คือความเป็นมิตรนะเนะมองทุกคนเป็นมิตรหมดเลยอ่ะอันนั้นแหละละเป็นลักษณะของเมตตาคนมีเมตานะคิดถึงคนทั้งหมดโดยที่ไม่มีโทสะเลยนี่นะแต่ต้องปกติพื้นฐานเขาเป็นคนโทสะจริตนะเพราะว่าเมตตาเนี่ยโดยรวมๆและเหมาะกับคน โทสะจริตนั้นคนโทสะจริตคิดถึงทุกคนโดยที่ไม่โกรธเลยเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นลักษณะของเมตตาแต่คนราคะจริตก็ระวังนะเพระาะอาจจะตกไปเป็นโลภะไปแล้วก็ได้คำว่าวิมุตต์เพราะพ้นจากปันจจินิ ก, กะระททั้งหลายและน้อมไปในอารมณ์แต่ถ้าใช้คำว่าศับเฉยว่าเมตตาเนี่ยนะถ้ามีคาว่าเมตตาที่ใดใช้คาว่าเมตตาที่นั่น เป็นทั้งอุปจาระและอัปปนาเป็นทั้งระดับอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ถ้าใช้คําว่าเจโตวิมุตต์บวกเข้ามาด้วยมีคําว่าวิมุตต์เข้ามาอันนั้นหมายถึงฌานอย่างเดียวหมายถึงระดับฌานถ้าเป็นเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะหลุดพน้นเช่นหลุดพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตาฌานนะตั้งกับผสมเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะ เมตานั้นก็ลักษณะของเขาก็คือการน้อมไปในความเป็นมิตรหรือน้อมประโยชน์เข้าไปให้เนี่ยนะอันนั้นเป็นลักษณะของเมตตาส่วนกรุณาท่านบอกว่ากล่าวไว้แล้วกล่าวไว้ที่ไหนเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมกล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้ในหน้า 160. ร้อยหกสิบเนี่ยไงยิงเราเรียนผาดกระโดดข้าม การุณานี่มีอธิบายไว้ในหน้าร้อยหกสิบนะไปดูในมหาการุณาสมาบัติญุเทศกว่าธรรมชาติใดเมื่อทุกของผู้อื่นมีอยู่ย่อมทําความหวั่นไหวหรือหวั่นใจแห่งสาธุชนทั้งหลายอันนะก็คิดดูนะคนอื่นมีทุกข์ใช่ไหมสักอื่นมีทุกข์แล้วสาธาชนนี่ใจเข้าหวั่นไหวเลยอันนั่นเป็นกรุณาก็เมื่อกี้ ใครเนอะาจารย์ปยาเล่าอะไรให้ฟังนะหมามันเป็นยังไงเนะียอาจารย์รัตนาเล่าเป็นงไงช่างเป็นยังไงสุนัขเขาจะคลอดลูกอะฮะแต่ว่าเขาเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกก็เลยคลอดไม่ได้ต้องผ่าตัดก็เลยต้องฟังแล้วก็กรุณาไหมเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วกำลังจะคลอดลูกอีกต่างหากโอ้ ของว่าตัดจริงๆก็ทุกข์กขามากเลยนะ้คิดไปนะจะต้องพาออกด้วยมันสาธุชนก็เลยหวั่นไหวพยายามที่จะลงทุนไปร่วมกันเพื่อจะได้ผ่ามาเพราะถ้าไม่ผ่าเนี่ยต า, ายแน่เลยใช่ไหมตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะกันสาธุชนก็เลยใจหวั่นไหวเลยนะฟังแล้วก็ใจหวั่นไหวอันนี้แหละลักษณะของ กรุณาเนี่ยนะให้ทานเพราะปรารบกรุณาความน่าเห็นใจหรือว่าย่อมซื้อคือย่อมเบียดเบียนทําลายทุกขของผู้อื่นใช่ไหมก็เลยบริจาคสตังเพื่อซื้อความทุกของสุนัขให้มันทุกน้อยน้อยหน่อย <g iggle> ก, ก็เห็นเขาเรียรายการเพื่อที่ไปช่วยสุนัขให้มันผ่าให้สุนัขอะนะอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติใดย่อมเรียอะไรคือย่อมแผ่ไปด้วยอํานาจการแผ่ไปในเราทุกขิตศัตร์ สัตว์ผู้มีทุกข์ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากรุณาแผ่ไปในความทุกข์ของสัตว์สัตว์ทุกคนเนี่ยนะมีทุกข์กันหมดเลยแต่ทุกข์กันคนละอย่างเท่านั้นเองบางคนทุกข์กายบางคนทุกข์ใจทุกทางกายนี้บางคนก็ทุกข์เพราะโรคภัยต่างๆบางคนก็ทุกข์เพราะเหน็ดเหนื่อยไม่หยุดไม่รอนเนี่ยนะแต่ทุกข์ใจล่ะเราเคยเคยเอามาคิดบ้างไหมว่าสัตว์นี้มีทุกข์อะไรกันอยู่บ้าง เดี๋ยวเรียนมหากรุณาสมาบัติญาเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าสาัตว์ทั้งหลายนี่ทุกอย่างยังไงบ้างเราเนี่ยน่ากรุณายังไงในสายตาของพระพุทธเจ้าเช่นทุกคนเนี่ยน่ากรุณาเพราะเดินไปหาโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเลยน่ากรุณากันหมดเลยนะนั่งรอชารากันทั้งนั้นเลยนะไอ้ที่ชาราแล้วก็ชารายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนะเพราะฉะนั้นโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเนี่ยนะอันนี้ก็น่ากรุณากันทุกคนเลย คนที่ชราน้อยก็ชรามากคนที่ชรามากก็มากหนักนะชรามากแล้วก็มากมันจะมากอย่างไงเนี่ยโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเนี่ยนะปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเนี่ยไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเลยอย่างโยมค้วันนี่ยตอนนี้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วเนี่ยนะชราใไอ่พยาที่ใหญ่กว่าแล้วก็สามโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะทุกอย่างเราจะต้องละหมดเลยใช่ไหย ถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาก่อนนะว่ารวมๆมันนะแต่ว่าดูถ้าเราจะจากก่อนนะนะก็จําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะก็ในโลกนี้อย่างสมบัติในโลกของใครอะ่ะใครที่เคยเป็นเจ้าของก็ละไปเรื่อยๆู้ ก, การเล่านะฉนโนดของทางกรุงเทพในะช่ไหมฉนโนดเนี่ยนะเออมันผัดเปลี่ยนชื่อกันอย่าง ยังนึกไม่ถึงเลยเพราะว่ามันผักกันเป็นเจ้าของโฉนดอะนะท<ม>ี่โฉน ด, นนนดก็ไปบ้านนู้นเดี๋ยวก็ไปบ้านนี้เราเอาโฉนดเก่าๆโบราณมาอ่านดูโอ้โหมันเปลี่ยนยจนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะสมัยรสองนู่นน่ะมีโฉนดแบบแบบโน้นนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอมัน ไ, ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีจริงเนี่ยไม่มีจริง ทีเยาวราชฉนโนดแล้ว่าแก้วแหวนเงินทองนะฮะมันก็เปลี่ยนกันใส่ไปเรื่อยเลยฮะพ่อแม่ก็มาคงมาลูกมาหลานดีมันดีก็ออกไปขายไปก็เป็นคนอื่นไปอีกแล้าลงมันรู้ใครเป็นเจ้าของแน่แล้วก็ไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็แม้กระทั่งแก้วแหวนเงินทองพวกข้าวของทั้งหมดในโลกเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ของใคร อย่างน้ำคลองที่ไหลผ่านบ้านเราเนี่ยมันน้ำคลองของใครใครใชากับคนนั้นแหละนะเพรไม่ใช่ของใครจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องทุกอย่างก็จำต้องละทิ้งสิ่งข้งปวงพายไม่มีอะไรที่ไม่ละนะจริงๆเราค่อยๆละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็จากขาวรแต่มันค่อยๆจากเลยแล้วละ่ะ